บัทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวันก่อนได้พูดในหัวข้ออายตนาปร ะ, ะคือหมวดที่ว่าด้วยอายตนาภายในอายตนาภายนอกซึ่งในที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของชีวิต ในแต่ละวันกองบุคคลทั้งหลายนั่นเองพระโลกเราเมื่อกล่าวโดยนัยหนึ่งก็คือโลกของสัมผัสการเรียนรู้โลกทั้งปวงการเพิ่มขึ้นของบาปและการเพิ่มขึ้นของบุญล้วก็เพิ่มมาจากประสาทสัมผัสการได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สูดดมด้วยจมูกได้ลิ้มด้วยลิ้นได้ถูกต้องด้วยกาย ได้เก็บไว้ภายในใจในชีวิตประจำวันของบุคคลนั่นเองแต่ในญาตที่ทรงนำมาสั่งสอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับจะทรงเน้นในจุดใดบางครั้งเราจึงพบ ว, ว่านามาจตนะเหล่านั้นมาสอนในแง่ของทุกขสัตย์พรตัวเขาเองเป็นกลุ่มของทุกขสัตย์จึงตกอยู่ในกฎของเกิดแก่เจ็บตาย จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ในที่นี้ทรงสอนในแนวที่เป็นเหตุเกิดของสังโยชน์คือโดยให้มีการตรวจสอบดูจิตของเราในแต่ละขณะที่กระทบอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสว่าในขณะนั้นมีสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ การสอนแนวนี้ก็คล้ายๆกับสอนเรื่องของนิวรซึ่งเป็นกลุ่มกิเลสเช่นเดียวกันแต่ในกลุ่มของนิวรนั้นเนื่องจากเป็นปัญหาในด้านจิตใจเป็นคาศึกโดยตรงต่อการปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือระดับของสมถะกรรมฐานเอกจากจะทรงสอนให้ดูอาการของนิวร์ที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆแล้ว ยังทรงสั่งสอนในลักษณะสืบสาวถึงที่มาของนิวรณ์ก่อนนิวรณ์เหล่านั้นจะปรากฏมันมาจากอะไรแล้วก็ศึกษาต่อไปถึงวิธีที่จะดับนิวรณ์ระดับแล้วทําอย่างไรจึงจะไม่เกิดขึ้นอี ก, กเรียกว่าศึกษาครบวงจรที่เกี่ยวกับ น, นิวรณ์ถึงหมายความว่าถ้าทำได้อย่างนั้นจริงๆ นิวรณ์ที่ดับแล้วก็ชื่อว่าดับไปอย่างเด็ดขาดแต่ในภาคปฏิบัติสมมติว่านิวรณ์ดับไปจริงๆพวกสังโยชน์มันก็ดับไปนานที่จะต้องศึกษามันก็ไม่มีไปจริงแล้วอาการของกิเลส ท, ที่เรียกว่านิวรณ์ก็ดีสังโยชน์ก็ดีหรือแม้จะเรียกชื่ออย่างอืกติมันเป็นการเรียกตามอาการได้ความเข้มข้นของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเท่านั้น สังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกใจสัตว์ข้อแรกแล้วก็ถือว่าเป็นฐานสําคัญในการสร้างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้นก็คือความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเรียกก็เป็นเราไอความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นจุดเริ่มตน้นทดลองสังเกตว่าจากจุดนี้เองที่ทําให้มีการถือศักดิ์ศี มีการถือพวกถือพ้องมีการแยกออกมาเป็นเราเป็นเขาที่จริง er ถ้าไม่เริ่มจากความมีเรามันก็ความมีเขาก็ไม่เกิดขึ้นความมีของเราก็ไม่เกิดขึ้นความมีของเขาก็ไม่เกิดขึ้นแต่มันเริ่มจากความมีเราแล้ว <collaborate> ก <entre cznie> ็ให้เกิดความเป็นเราเกิรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนดน แล้วสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเชื่อมโยงกับความเป็นของเราจะมีไม่น้อยที่ใช้ความเป็นเหล่านั้นเพื่อคุ้มครองป้องกันตนเองบ้างเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองบ้างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองบ้างลักษณะเหล่านี้ที่จริงก็เกิดขึ้นมาโดยกําเนิดเพราะมันติดมาจากจิตวิญญาณของมนุษย์เพราะในตอนเด็กๆ ในความรู้สึกว่าเป็นเรามันก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็พึ่งพาตัวเองไม่ได้เพราะงั้นจะเกาะอิงพ่อแม่จะเกาะอิงผู้ใหญ่มีปัญหาอะไรก็ไปเรียกร้องเอากับพ่อแม่กับผู้ใหญ่พอโตขึ้นมีภยัยมีอันตรายเกิดขึ้นตัวเองยังช่วยอะไรไม่ก็ได้ก็จะวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ ที่จะอ้างผูใหญ่อ้างพ่ออ้างแม่หรือาพ่อแม่ก็ไปปกป้องตัวเองหรือไปต่อสู้กับคนอื่นลักษณะเก่ออิงเหล่านี้มันก็มาเรื่อยตลอดชีวิตของเราแต่จริงมันก็เริ่มจากความเป็นเราคือรู้สึกว่าเป็นเราแล้จากความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันก็เกิดก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเราได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็เป็นกันมาเรื่อยเป็นลักษณะสมมติที่ซ้อนๆกันไปโดยลําดับ เราจริงแล้วเราก็หาความเป็นไม่ค่อยเจอเพราะในจุดนี้จึงเป็นจุดที่สร้างปัญหาหลักการในการแก้ปัญหาทามพุทธศาสนาท่านสาธุชนต่างยจะสังเกตว่าพอถึงจุดสุดท้ายของความรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีเรามีเขาที่เรียกว่าไม่มีตัวมีตนหรือไม่เป็นตัวเป็นตน อางพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระหันทั้งหลายนั้นท่านเข้าถึงจุดนี้ของแทนท่านอยู่ในโลกโดยไม่มีความเป็นเราไม่มีความเป็นของเราทรงมีความรู้สึกกรุณาต่อคนที่ยังมีความคิดเช่นนั้นยังมีความรู้สึกเช่นนั้นพราะระธรรมคําคสั่งสอนของพระองค์จึงมุ่งที่จะลดความรู้สึกเหล่านี้ลงไป ในแนวของการขัดเกลารจิตใจให้ยอมรับผเผชิญหน้ากับความจริงขึ้นโดยลําดับถึงกรณนนี้ยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดคือเริ่มจากความเป็นเราก็คือศีลข้อที่หนึ่งคือปาณาติบาต์ปานาติบาต์นั้นเราก็เริ่มจากความเป็นเราจึงก่อให้เกิดความเป็นเขาและในความเป็นเขานั่นเองเราก็รู้สึกรักรู้สึกช่ง คนใดที่เป็นประโยชน์แก่เราเราก็รู้สึกรักคนใดที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราหรือเป็นอุปสรรคขวางเราเราก็กรู้สึกชังอาจากจุดของความรักความชังนั่นเองจึงถึงจุดหนึ่งก็มีการฆ่าการทำลายผู้ที่เราไม่ชอบจึงเป็นอาการของความโกรธบ้างความหลงบ้างโสดบ้ากจะเป็นโกรธกับหลงแต่ในขณะเดียวกันเขานั่นเองสามารถเป็นประโยชน์แก่เรา แต่เขาจะต้องถูกทําลายซะก่อนจึงจะเป็นประโยชน์แก่เราเราเกิดโลภะในตัวเขาก็มีการฆ่าการทําลายเช่นการฆ่าสัตว์ต่างๆการประมงหรือการล่าสัตว์การดักสัตว์การจับสัตว์มาค่าจริงๆก็ไม่ได้ทําด้วยความโกรธแต่ก็ทําด้วยความโลภอยากได้เขามาเป็นประโยชน์แก่เรากริจกรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้น ทีนี้ถ้าหากว่ามันตกต่ำกว่ามาตรฐานของศีลธรรมที่จะควบคุมจิตใจความเป็นเรามาื่อกรุนแรงกับความเป็นเขากรุนแรงในการกระทําบางอย่างเป็นการหลูศักดิ์สรีธิ์การู้สึกว่าหลูศักดิ์สิทในความรู้สึกเป็นเราของเรานั่นเองก็จะเกิดความโกรธมีการต่อสู้มีการประหัตประรานการบางครั้ง เรารู้สึกว่าเขาจะเป็นตัวขัดขวางผลประโยชน์ของเราเรื่องเขาจะทําให้เราได้ประโยชน์น้อยลงหรือเขาอาจจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าเราเป็นต้นคือเป็นใหญ่กว่าเราเป็นต้นกิจกรรมในลักษณะนี้ก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อมีข่าวของความรุนแรงหรื่องการความรุนแรงท่าเรียกว่ามิกสัญจีคือมองกันเป็นสัตว์ที่จะต้องไล่จะต้องล่าจะต้องทําลายล้างกันเราเห็น กิจกรรมต่างๆเช่นการจราจนหรือว่าการศึกสงครามระหว่างประเทศต่อประเทศระหว่างกลุ่มคนต่อกลุ่มคนนั้นคือความรู้สึกมาจากความเป็นเราแล้วก็เป็นเขาแล้วเขานั้นเป็นศัตรูของเราเขานั้นเป็นศัตรูต่อความเป็นของเราในทีก็จะ ม, มีการทํำลายล้างกันการจะขัดเกลากิเลสเหล่านี้มันจางลงไปหรือหมดสิ้นไปเนี่ย ไม่ใช่เป็นเรื่องทําได้ง่ายๆเพราะศาสตร์ใดที่จิตใจ ย, ยังเป็นโลกยะอยู่ความไม่เราเป็นเขาคงต้องมีเพียงแต่ว่าจะประณีขึ้นไปมีความรุนแรงน้อยลงมีความสงบประนีเพิ่มขึ้นแต่นั่นเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าถูกมีแรงกระแทกกระตุ้นมาจากข้างนอกความไม่เราเป็นเขาก็ก็แรงออกมาได้เราจึงพบตัวอย่างบุคคลที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาหรือแม้ในปัจจุบัน จิตใจเขาพัฒนาไปอยู่ในจุดนั้นแล้วก็ไม่น่าจะเบี่ยงเบนออกมาไม่น่าจะตกตามตกปาแต่พอดีก็มีแรงกระแทกมีการด้วยยุยวนจากอารมณ์ภายนอกจิตใจเขาท่านก็แวง่งความรู้สึกเป็นเราเป็นเขามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นความรุนแรงต่อไปถ้ามาปฏิบัติในแนวนี้มันก็มีลักษณะหกล้มหกลุกไปเรื่อ ย, อยความมาจิตใจขึ้นสูงรู้สึกความเป็นเราน้อยลง ควาเป็นเขาก็จะน้อยลงตามไปก็กลายเป็นพวกเราเป็นเรากับพวกเราเพราะแนวธรรมถ้าเรามองจากศีลสมาธิปัญญาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแนวของศีลนั้นที่จริงก็มีเรามีเขาไม่ใช่ปฏิเสธความเป็นเราเป็นเขาในระดับของศีลก็ยอมรับว่ามีเราแล้วก็มีเขาแต่ในขณะเดียวกันทําอย่างไรคนจะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้ก็ต้องยอมรับในตัวของเราด้วยแล้วก็ในตัวของเขาด้วย เมยอมรับเป็นตัวเขาแล้วก็ยอมรับในสิทธิผลประโยชน์ต่างๆของเขาไม่เป็นการร่วงระเมิดต่อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆของเขาไม่กระทบกระทั่งเขาและเขาก็ไม่กระทบกระทั่งเราก็กลายเป็นการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขระดับศีลธรรมจัร ญ, ญาแต่ก็ไม่ได้ถึงกับปรณณมผลนิพพานอะไรแต่หมายความระดับมนุษย์สมบัติแล้วคนก็อยู่ดีมีสุขได้โดยปกติระดับของธรรมปฏิบัติจะยกตัวอย่างในสายนี้ก็คือเมตตา เป็นความรู้สึกรักปรารถนาดีมุ่งดีหวังดีต่อบุคคลอื่นซึ่งก็หมายความว่าความรู้สึกเป็นเราเป็นเขามันลดลงไปแต่กลายเป็นเรากับพวกของเราเพราะแนวคิดแบบ ส, สเปสตาที่เราสวดสายายกันแบบเมตตาเนี่ยโดยเฉพาะคำว่ า, าสเปสตา ต่างหลายทั้งปวงผู้เป็นร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นูปไม่มีภยัยไม่เบียดเบีย น, นกันมาประสุตรร้ายกันเราแสดงว่าด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันคือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นผู้อาศัยในสังสารวัฏมาด้วยกันอาศัยอยู่ในโลกนี้จุดครั้งจุดคราวและในสุดก็จะจากโลกนี้ไป มีความรู้สึกผูกพันทางใจที่จะลดความรุนแรงด้วยความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแต่กลายเป็นพวกเราเราก็พวกเราพวนี้ความสงบความสุขก็จะเข้าถึงจิตใจที่มีความลึกซึงมากยิ่งขึ้นไปความเยืเกียตนมากิ่งขึ้นอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงอณิสง์ของเมตตาเอาไว้ว่าบุคคลที่เจริญเมตตาอยู่โดยปกติไม่ความมาใจที่มีเมตตาจริงๆ จะนอนหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นทิรักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นทิรักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาให้การคุ้มครองรักษาศสตรูวุธเครื่องประหารยาพิษไฟไม่สามารถจะทําอันตรายได้จิตใจจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วถากว่ายังไม่บรรลุฌานก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติตะบรรลุฌานไปแล้วก็จะไม่หลงตายแล้วตายไปแล้วจะบังเกิดในพรหมโลก มันเราจะเห็นว่าในจุดนี้ธรรมะได้เข้าถึงจิตใจมากยิ่งขึ้นความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาลดลงจนมองเห็นสเปสตาเกิดเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่จบตายด้วยกันแล้วก็เดินได้ไปจนถึงระดับของสมาชิความรู้สึกแนวนี้คือสักกายะทิฏฐิแนวนี้ก็จะยางลงไปพอถึงจุดของ การมาเป็นเพียงทางจิตระดับที่เป็นโลกิยะแต่ก็เรียกว่าอารูปฌานพอถึงจิตหนึ่งในท่านจะมองเห็นว่าไอ้ตัวตนที่ว่าเนี่ยจะมีก็ไม่ใช่จะมีก็ไม่เชิงเพราะเมื่อไม่รู้สึกมีหรือว่าไม่มีแน่ชัดลงไปอาการที่ยึดติดมันก็น้อยลงคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับเราจะมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยมีเชื่อโรคก็ไม่เชิงไม่มีเชื่อโรคก็ไม่ใช่ การจะระมัดระวังเชโรคมันก็น้อยลงการหวั่นไหวได้วยโรคเหล่านั้นก็น้อยลงจิตใจของบุคคลที่ถึงจุดนี้ก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นคือการหวั่นไหวได้วยความเป็นเราหรือแม้แต่เป็นพวกเราก็จะลดน้อยลงไปอย่ยันที่บอกแล้วว่ามันแกว่งไกวได้มันเบีเ่ยงเบนได้มันสับสนได้เพราะว่ายังไม่มั่นคงอะไรพอเดินมาถึงจุดของความเป็นพระรยบุคคลระดับโสดาบบันแต่ตรงนี้ท่านตัดขาด เพราะในความเป็นประโาบการณนั้นไปนว่าถึงกระแสะของปณิพานธตรัตส ก, กายติได้ความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราเป็นพวกเขาจนถึงโกรธจนถึงอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันไม่มีอาจจะมีความไม่พอใจบ้างมีการกระทบกระทั่งทางใจแต่ก็ไม่ใช่รุนแรงอย่างที่จะบ้านหมายความว่าความโกรธที่เป็นเหตุตกอบาลเนี่ยไม่มี แต่ส่วนจะไม่โกรธเลยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ระดับประสบดบันเท่านั้นแต่ตัวสักกายทิฏฐินั้นได้ขัดจัดออกไปนี่คือแนวการปฏิบัติ ธ, ธรรมะที่จะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงวางเป็นขั้นเป็นตอนเอาไว้คือไม่ถึงกับนิ่งๆไปไม่จะตัวจะตนเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ แต่ก็ค่อยเดินไปอย่างน้อยที่สุดถ้าเดินมาได้ขั้นที่สองคือผ่านมิตสัญญีมาอยู่ในระดับที่เป็นเราก็เป็นเขายอมรับสิทธิของเราและเขากันมันก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเป็นมนุษย์สมบัติคือเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นความถึงพร้อมของความมนุษย์เป็นความสมบูรณ์ระดับของมนุษย์จะอยู่ดีมีสุขในระดับนี้แต่ในตัวเมตตาซึ่งเป็นความรู้สึกต่อคนโดยเฉพาะ เราจะ่เรามีเมตตากรุณาเมตตาต่อคนซึ่งกหมายความว่าความรู้สึกต่อคนนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยที่สุดรู้สึกว่าเป็นพวกเราจึงจะเกิดความเมตตาขึ้นมาได้ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ให้ลองสังเกตว่าถ้าใจไม่ไปเชื่อมว่าเป็นพวกเราเอาไว้ในระดับใดระดับหนึ่งนั้นจิตใจจะไม่เกิดเมตตาซ้ร้รายอาจจะเกิดความส่ใจความดีใจเตียนความวิบัติดร้อนสี่เกิดขึ้นกับคนอื่นโดยซ้าไปแต่บางครั้งก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าความรู้สึกว่าเป็นพวกเราเข้าไปเชื่อมไว้ มันจะรู้สึกเมตตามุ่งดีปรารถนาดีประกอบประสบความเดือดร้อนก็จะเกิดเป็นกรุณาขึ้นประกอบประสบความเจริญก็จะเกิดนุติตาขึ้นถึงแต่มะเหล่านี้ในภาคปฏิบัติแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นในง่ายๆทางนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเมตตานั้นมีพยาบาทอยู่หมายความว่าพยาบาทนั้นเป็นข้าศึกโดยตรงต่อเมตตา ในบุคคลใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกปฏิเสธเขาคือไม่ชอบเขาหรือมีความโกรธต่อเขาไม่พอใจเขาอาฆาตเขาพยาบาทเขาเราไม่ตาคนนี้ไม่ได้ตราบเท่าที่ความรู้สึกโกรธพยาบาทไม่ถูกกระจัดออกไปดังการขัดเกลาจิตใจให้ความรู้สึกเหล่านี้เจือจางเาบางลงไปจึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความอดทนบ้างการไม่ผูกโกรธบ้างการ ให้อภัยบ้างแล้วก็ปริมาณของเมตตาที่เพิ่มขึ้นถ้าวาก็มีปริมาณก็เมตตาเพิ่มขึ้นแล้วเมตตามันจะเกิดขึ้นได้โดยอ น, นุบุตรมาเราจึงเห็นว่าแนวการเจริญเมตตาก็ทรงวางไว้ไต่ันดับไปเรื่อยๆเหมือนกันเริ่มต้นจากให้รู้จักตัวเองชัดเจนซสียก่อนเข้าใจตัวเองได้ถูกต้องทุกแง่ถุกมุม เราไม่ต้องการมีเวรไม่ต้องการมีภัยไม่ต้องการเบียดเบียนกันไม่ต้องการระทุสร้ายกันต้องการจะอยู่ในสังคมโดยปกติสุขแล้วก็มองกลับไปที่คนอื่นถามว่าคนอื่นนั้นเขามีความคิดอย่างนี้หรือไม่ก็ต้องการอย่างนี้หรือไม่ก็จะเห็นว่าเป็นความต้องการร่วมกันทุกสรรพชีวิตในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตามก็ต้องการอย่างนั้นในชั้นแรก มางอาจจะทําได้แค่เราเองไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่สร้างเวรสร้างภัยสร้างอันตรายให้แก่เขาซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นศีลข้อที่หนึ่งระดับที่ประณีตขึ้นก็เป็นอาการของการงดเว้นก็เรียกว่าอยู่ในระดับศีลที่ประนีตขึ้นแต่สุดก็จะเผื่อแผ่คือจะออกมาในรูปของการสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลเหล่านั้นอาจจะออกมาทางกายด้วยการกระทําที่ประกอบด้วยเมตตาออกมาทางวาจาด้วยการพูดที่ประกอบด้วยเมตตา แต่จริงแล้วก็คือการสะท้อนมาจากใจว่าใจในขณะต้องมีเมตตาต่อบุคคลผู้นั้นแล้วตัวบุคคลนั้นเองจะถูกขยายออกไปจนถึงกับคนแม้ที่เป็นศัตรูเราก็รู้สึกเมตตาต่อเขาในข้อนี้เราสังเกตว่ากิเลสประเภทรู้สึกว่าเป็นเราก็เป็นเขานั้นได้ลดลงไปจนใจถูกควบคุมไว้ด้วยธรรมะคือเมตตาที่กระจายออกไปได้ด้วยลําดับ แต่ในเมตตานี้เองไว้ที่จริงก็ในจุดหนึ่งก็คือเมตตาทั่วไปในชีวิตประจํำวันที่เรียวความเป็นมิตรกันโดยการระยะหมิตรที่จริงก็คือจิตที่กรอบเป็นเมตตาแล้วก็แสดงออกมาลักษณะมุ่งประโยชน์มุ่งเกื้อกูลมุ่งความ ม, มุ่งความสุขแก่คนที่เป็นมิตรของเราพรถึงจุดหนึ่งก็เป็นพรหมวิหารอยู่ในแวดวงที่เราคุ้นเคยสนิทส น, นมส่วนมากก็จะรู้จักกันเป็นเมตตาในระดับพรหมวิหาร แล้วพอเมตตาเขาเข้มข้นขึ้นก็ทรงสอนในระดับที่เรียกว่าอัปปัญญาคือมองไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแผ่ไปในทิศ ต, ตั้งปวงในทิศเบื้องบ น, บนเบื้องต่ำเบื้องขวางทิศซ้ายขวาหน้าหลังเป็นต้นก็เรียกว่ารอบตัวเราเป็นวงกลมเป็นรูป ก, กลมให้มีความรู้สึกอย่างนั้นถึงจะเห็นว่าในชั้นสวดมันก็สวดได้ง่ายนะจำได้ก็สวดได้จําไม่ได้มานั่งอ่านเอาสวดก็ได้ แล่ว่าใจจริงๆนะไปได้หรือไม่ถึอหม้ความมาตราบใดที่เรายัางรู้สึกว่าเป็นเราดุนแรงหรือว่าเป็นเขาดุนแรงไม่ยอมรับในระดับของพวกเราเม่ตาก็แผ่ออกไม่ได้ถ้าแผ่ออกไปได้ก็ขีดวงจำกัดเอาไว้แล้วในที่สุดมันจะออกมาในรูปของอคติตือความลำเอียงเพราะความรักใคร่ผูกพันกัน ก็เกาะกลุมกันอยู่ในพวกของตัวเองและในสุดก็ปฏิเสธคนอื่นใจมันก็ขยายออกไปไม่ได้ฉันั้นเมตตาที่ไม่มีประมาณหมายความไม่กำหนดเจาะงลงไปจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไ ร, รก็ตามเ ร, ราปรารถนาะที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นคือไม่มีเวรไม่มีใครไม่มีอันตรายจะเป็นไปได้ก็แสดงว่าไอ้สักกายทิฏฐิมันก็ลดลงไปจนมาถึงจุดหนึ่ง เราจะเห็นว่าแนวความคิดเหล่านี้ที่ถ่า ย, ถ, ายถอนสักยะทิฏฐิได้มันเป็นระดับของวิปัสสนาคือถ่ายถอนจริงๆนั้นต้องเป็นผลของวิปัสสนาหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าในวิปัสสนากรรมาฐานที่ท่านมุ่งสั่งสอนนุ่งประพฤติปฏิบัตินั้นที่จริงตัวจะต้องขจัดเนี่ยมื่อขจัดจะมีอยู่สี่เรื่องขจัดในตอนต้นที่จริงขจัดจนถาวรนั่นแหละ นั้นก็คือความเห็นสิ่งซึ่งไม่สวยงามว่าเป็นของสวยงามต่างปัญหามากมายก่ายกองในโลกนี้ที่ว่าวุ่นสับสนเดือดร้อนบุบวายเกินค่าทำลายล้างกันมันก็เกิดขึ้นจากความคิดแบบนี้จนในที่สุดคุมไว้ไม่ได้ก็ออกมาในรูปของการยื้อแย่งการขัดผลประโยชน์กันแล้วก็ยื้อแย่งในสิ่งเดียวกันต่างคนต่งางไม่ยอมกันในสุดมก็ฆ่ากันตือบางครั้งเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ เอาคนมาเป็นนั้นมากมาล้มตายเพื่อแย่งผู้หญิงคนเดียวอย่างเรื่องรามเกียรตินั่นก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เกิดขึ้นจะ ก, กำหนดว่าสวยงามปักบัตรไมยเอาไว้ไม่ยอมถ่ายถอนออกไปโมหะก็เพิ่มขึ้นโลภะก็ไม่ยอมจางลงไปโทสะก็เพิ่มขึ้นในที่สุดก็รบกันแล้วเอาคนมาตายมากมายไกลกองแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ทเห็นว่า ลักษณะของใจที่มันเริ่มจากความเป็นเราเนี่ยแล้วจะดึงความเป็นของเราต่างๆคิดมาแล้วจะดึงความเป็นเราเป็นเราเป็นลูกของตระกูลคนรวยเป็นคนที่มีรูปสวยเป็นคนที่มีทรัพย์มากเป็นคนมีความรู้มากอะไรต่างๆขยายไปเมื่อเกิดเป็นมานะขึ้นด้วยความกระด้างถึงตัวที่จริงก็เริ่มจากตนพอไม่มีตนมันก็ไม่มีที่เกาะไม่มีที่ตั้ง แต่การจะขจัดความเป็นตนนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาภูเขาทีเดียวดังนั้นแนวทารปฏริบัติทั้งก็มุ่งขจัดตรงนี้ออกไปการกําหนดว่าสวยเงามที่จริงก็เพื่ อ, อตอบสนองความเป็นตนของเรานั่นเองหมายความอะไรสวยงามรูปสวยเสียงไปร้อกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัส น, น่าจะต้องก็ต้องการจะตอบสนองความเป็นตนของเราใจก็กําหนดขึ้นมาอย่างนั้นในจุดนี้เองมันก็เพิ่มกระแสะขปัญญาขึ้นมาภายในใจ การต่อไปก็คือการไปกําหนดสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนนี้ก็คือเชื่อมวัตนโดยตรงในความความรู้สึกเหล่านี้ลึกๆแล้วมันมาจากความรู้สึกว่าตุเนี่ยเป็นของยั่งยืนไม่แปรผันไม่เปลี่ยนแปลงการไ ข, ขว่ความปรารถนาเพื่อจะเพิ่มพูนตนบํารุงบาเรอตนหรือปลลือตนออกมาลักษณะต่ า, างๆมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่คำนึงถึงสัจธรรมที่เป็นความจริงของชีวิตคือการเกิดการแก่การตายถึงแต่ต้องมีกับชีวิตทั้งหลายเพราะทิฏฐิเหล่านี้ที่ลึกๆที่ท่านเรียกว่าสัสจะทิฏฐิมันก เ, เกิดขึ้นมาจากความเป็นตนมาความเป็นเราพูดง่ายความเป็นเราเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดเป็นรูปของสักยญาทิฏฐิคือถือว่าเป็นเราหรือเราเป็นแต่ จ, จุดนี้ก็เราก็เป็นขอ ง, อ ย, งอยั่งยืนเป็นของเที่ยงแท้ไม่แปรผัน เราเข้าใจว่าความเป็นต่างๆที่ในการแต่งตั้งมอบหมายยกตัวอย่างเช่นข้าราชการที่จริงก็รู้ความเป็นนั้นมันถึงจุดกเกษียณคือจุดจะสิ้นไปแต่ท่านก็ยังยืออย้อแยางท่านยังต่อสู้อีกปีเดียวจะเกษียณแล้วท่านก็ยังดิ้นไปวุ่นวายกันแต่ทั้นต้อ ง, งรู้อยู่ข้างหน้านี่ว่าอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนเราจาระเกษียณแล้วนั้นแสดงว่าแม้ความไม่เที่ยงแท้จะปรากฏให้เห็นอยู่ยระยะใกล้ๆแต่ใจมันก็มีตนอยู่ใจไม่ยอมรับ ใจก็ปฏิเสธใจก็ดิ้นใจก็มีวิธีการต่างๆที่จะปลุกปลอบตัวเองหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงยั่งยืนอยู่นี่ก็คือลักษณะที่มันสืบเรื่องมาจากอัตตาคือตัวตนแล้วไปเข้าใจว่าตนก็เที่ยงแล้วเข้าใจว่าคนคนอื่นก็เที่ยงตามไปด้วยประการต่อไปก็คือถือว่าสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นสุข ก็มุงเดบุญปลืป้มตนด้วยวิธีการสแสดงหาความสุขต่างๆแต่เขต้องการที่สลายจริงๆนะมันก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเดี๋ยว่าเป็นอัตราเป็นตัวเป็นตนก็ขอให้เกิดกิเลสประเภทต่างๆขึ้นมาดังกล่าวแล้วก็มามาเชื่อมกับตนเพราะแนวการขัดเกลาจึงในตอนแรกจึงไม่ปฏิเสธตนแล้วก็ไม่ปฏิเสธความเป็นตนแต่เพียงว่า ยอมรับคนอื่นเขาด้วยยอมรับทรัพย์สินของคนอื่นด้วยยอมรับครอครองของบุคคลอื่นด้วยก็จะโลภแล้วเปิดใจและนนแในสุดพอระดับธรรมะก็ยอมรับตนจนนั่นแหละแต่เพื่อจะไม่ให้เกิดความรุนแรงความเล้าจานการทะเลาะวิวาทก็ให้รู้สึกว่าเป็นเรากับพวกเรามากยิ่งขึ้นโดยลําดับแต่ทีนี้พอถึงจุดที่เข้าถึงความไม่ใช่ตัวใช่ตนนั้นจิตใจจะไม่ได้มองคนอื่น ด้วยความดูถูกรูหมินแต่จะเกิดมองเขาด้วยความสงสารคล้ายๆกับผู้ใหญ่ที่ล่วงการผ่านวัมามีประสบการณ์มาผ่านโลกมามองดูเด็กกเล่นตุ๊ ก, กตาเล่นขายของเล่นสนุกสนานเล่นผุน่นอะไรก็ตามก็เรามองเธอด้วยความสงสารด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นใจด้วยความสงสารเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคยาวพระรามต่างหลายที่ท่านเข้าถึงจุดนี้คือเข้าถึงการสลายตัวตนออกไป จึงมองโลกด้วยความสงสารต้องการที่จะช่วยถ่ายถอนความยึดติดในลักษณะนั้นให้จางไปเบาไปอย่างน้อยที่สุดระดับของศีลระดับของธรรมะระดับของสมาธิระดับของปัญญาจึงกลายเป็นคำสอนที่จะแนกออกาไป3ระดับใหญ่ๆก็คือเพื่อความสุขในระดับของมนุษย์เพืเกิดความสุขระดับสวรรค์และเพื่อให้เกิดความสุข ที่สุดยอดอันเป็นภาพประสงค์จริงๆก็คือมรรคนิพพานในตอนนั้นหมายความว่ความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขานั้นได้ถูกทําลายไปหมดแล้วไม่มีการเกิดเพราะไม่มีผู้ไปเกิดไม่มีสถานที่เกิดเป็นความดับเย็นที่ยั่งยืนถาวรไม่แปรผันนั้นก็เป็น้าประสงค์ แต่ในขั้นตอนการประพฤติปฏิบัติก็คือการพยายามขัดเกลาเพื่อลดความเป็นตัวเป็นตนลงไปก็เรียกว่าลดอัตราลงไปนั่นเองถ้าอัตราเราเล็กลงเท่าไหร่เนี่ยการคอยคว้าปรารถนาการยึดมั่นหรือมั่นในความเป็นต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลอันเป็นผลที่พึงปรารถนาเพราะนั้นคือความโปรง่งความเบาความสบายความสละสลวยในทางใจ ว่าจะอยู่ในที่ไหนก็จะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะได้ถ่ายทอนความยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นตนและโดยความเป็นของตนลงไปแล้วโดยลำดับต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป